สมิตว่านี้ท่านพระห้งเวสรนณังยันติปปัตตานิวนานิจักอารามรุคเกตุยานิมนุษาพพยชตขิตาเ <c oughs> นตังโคสะรังเขมมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสระณัมมะสบบุข้าปมุตตติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้ค้ามแล้วยอม บ, บินหาที่พึ่งต่างๆตาม ที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสงอาการบวงสว i สวงห่นย w i ไหวบอนอะไรต่างๆ น, นานาาพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเห็นวัดร้างอารามมรุกอาเกตยานีไป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 ทุกข้างลุกขสมุปปาดังลุกศัติ์จะปิกมังอเรียนจะทั่งยีกังมาดังลุกคู่ปะสมักาเมนาผู้ในะดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากย่างก็จักใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข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 ถึงซุ้ม 4, สี่ซุมห้าันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นมี่ชื่อว่าเสนะอันกเกศรในจิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเหลืย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการะฐานหนึ่งจนได้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 หมดประจากใจผู้นั้นแล้วผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ลบล้างทุกขนะ์เนี่ยก็คือใจดวงนั้นเดี๋ยวยนเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติรอบของตอนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นบานีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง